คนก็จะได้กลับบ้านแล้วนะเพราะเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหลายคนก็อาจจะอรอวันนี้มาหลายวันแล้วนะหลายคนที่บ้านก็คอยเราอยู่นะดีใจที่เราจะได้กลับบ้านส่วนตัวเราเองก็ก็คงดีใจเหมือนกันนะ จะได้กลับไปบ้านที่เราคุ้นเคยแต่บ้านที่รเราอยู่เนี่ยนะก็คอยเราลึกเราเระลึกว่ามันเป็นบ้านของกายเท่านั้นนะไม่ว่าจะสร้างด้วยไม้หรือว่าขอด้วยอิฐหรือปูนหน้าที่ของมันที่ทำงาก็คือเป็นที่ปกป้องร่างกายของเราให้หายร้อน บรรเทาความหนาวแล้วก็ไม่ให้ภัยอันตรายจากภายนอกเข้ามาคุกคามอันนี้คือหน้าที่ของบ้านเรียกว่าเป็นบ้านของกายทำให้ปลอดภัยได้รับความสะดวกสบายจะอย่าลืมว่าใจของเราก็ต้องการบ้านเหมือนกันนะบ้านที่ก่อด้วยอิฐ หรือว่าสร้างโดยไม้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำความปลอดภัยให้ได้ก็แต่เฉพาะกับร่างกายของเราแต่ไม่สามารถจะคุ้มครองจิตใจของเราให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายได้อย่างแท้จริงแล้วก็บ้านที่คอยเราอยู่นี่บางครั้งนี่มันก็อาจจะทำให้เกิดภาระ หรือเกิดความทุกข์แก่จิตใจของเราด้วยซ้ำทำให้กายเราปลอดภัย ส, สะดวกสบายก็จริงนะแต่ว่าอาจจะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจได้หลายคนก็ยังกังวลว่าจะผ่อนบ้านนะหมดได้เมื่อไรหรือว่าอาจจะคิดถึงขั้นว่าจะหาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านส่วนคนที่ผ่อนบ้าน ได้ครบแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองแท้จริงตามกฎหมายแล้วก็ จ, จะเกิดความห่วงนะว่าบ้านกำลังเสื่อมหลังคารั่วหรือว่ากำแพงก็กำลังจะพังนะก็ต้องคิดว่าจะหาทางซ่อมแซมอย่างไรบางคนก็จะสืว บ, บ้านของเรามันหลังเล็กไป ไม่ทันสมัยเท่ากับบ้านที่อยู่ติดกันก็กลายเป็นว่าบ้านของกายนี่มันสร้างภาระนะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจซึ่งอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะสําหรับของทุกอย่างเนี่ยที่เรามีเนี่ยในตอนที่หามันก็เหนื่อยได้มาแล้วก็ยังต้องห่วงต้องกังวล เหนื่อยในการรักษาแล้วก็ทุกข์เพราะห่วงเพราะกังวลกลัวคนมเมาไปหรือว่ากังวลว่ามันจะอยู่กับเราได้ไม่นานนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดกับบ้านที่รอเราอยู่ที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็แล้วแต่มีบ้านของกายอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะแต่อย่าลืมบ้านของใจ ถ้าเรามีบ้านของใจเนี่ยนะเราจะปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครว่าบ้านของเรานะ่ไม่สวยเท่าบ้านของเขาเล็กกว่าบ้านของอพี่น้องหรือว่ามิตรสหายแล้วบ้านของใจนี่มันพาเราไปได้หรือว่าอยู่กับเราได้ตลอดเวลานะ ให้บ้านของกายนี่มันก็อยู่เป็นที่บางทีมันก็หนีไม่ได้อันนี้มันไม่สามารถจะหนีได้บางทีก็ จ, จะเจอไฟไหม้น้ำท่วมแต่บ้านของใจเนี่ยจะอยู่กับเราทุกที่ให้ความอบอุ่นให้ความสุขกับเรานะในทุกเวลารวมทั้งทุกสถานการณ์ด้วยนะถ้าเป็นบ้านที่ เ, เราดูแลรักษายอย่างดีนะ บ้านให่ใจนะจริงบ้านของใจก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือตัวเรานี่แหละนะให้ใจเนี่ยมันอยู่กับตัวเราให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นบ้านที่ประเสริฐมากของใจให้อยู่ความรู้สึกตัวตลอดเวลา ซ่วนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติมีสติที่จะรู้ว่าเมื่อใดที่ใจเผลอไม่มีสติหรอเสิสติย่นาใจก็อาจจะกลายเป็นเหมือนกับคนจอนจัดไร่บ้านเลือดจะยิ่งกว่า น, นั้นนะก็คือถ้าเราไม่ไม่หาบ้านให้ใจเนี่ยใจเรามันจะจะไปอยู่ในคุกแทน ถ้าเราไม่มีบ้านให้ใจเนี่ยสิ่งที่แทนที่ก็คือคุกของใจคือเล่นล่อนไปเล่นล่อนมาก็ไปเข้าคุกเลยนะคุกเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรือนจำนะที่สร้างด้วยอิฐนะก่อด้วยปูนอันนั้นยังเป็นเป็นคุกที่ยังหยาบอยู่ นะพวกเราไม่ได้อยู่ในคุกนี้ก็จริงนะแต่ว่าเราใช่ว่าจะหนีออกจากคุกอย่างอื่นได้คนที่อยู่ในคุกนะที่สร้างด้วยอิฐนะก่อด้วยอิดสร้างด้วยปูนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาสามารถนะพาใจเป็นอิสระได้ หลายคนอยู่ในคุกนะมันแค่ขังตัวเขาแต่ว่าใจเขาเป็นอิสระอย่างคารทีเนี่ยนะการอยู่ในคุกนี่เป็นเรื่องสบายสำหรับเขาเลยทีเดียวอยู่ในคุกก็ปฏิบัติทำเจริญสติหรือว่าทำสมาธิเขียนหนังสือมันเป็นภาวนามีความสุขนะ เพราะว่าคุกนี่มันขังได้แต่กายนะแต่ว่าไม่สามารถจะขังใจได้มันมีคุกอีกชนิดหนึ่งนะไม่ได้ก่อด้วยอิฐนะสร้างด้วยปูนแต่ว่ามันทำด้วยเนื้อนะกายของเรานี่แหละสามารถจะเป็นคุกได้คนที่เจ็บป่วยหรือเป็นอัมาาพาต นอนติดเตียงอันนี้ก็เหมือนกับติดคุกนะเพราะว่าไม่สามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้มีสิทธิเสรีภาพที่จะเดินไปไหนมาไหนก็ตามก็ได้ไม่ตางจากคนที่อยู่ในคุกแต่ว่าในความเป็นจริงล้วทงางนไม่ได้เพราะว่าร่างกายมหมดสภาพไปแล้วบางคนก็เป็นโรคที่รักษาไม่หาย ซึ่งมันทำให้ขยีงขยับอะไรไม่ได้แม้แต่แขนนะก็ดิบอะไรก็ไม่ได้เลยใช่โกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะที่เคยพูดถึงคนไข้คนหนึ่งที่หมดสภาพไปเลยแม้แต่เอานิ้วจิ้มแป้นคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แต่ว่าใจก็อาจจะเป็นอิสระนะ อย่างคนป่วยนะที่พูดถึงเนี่ยเขาสามารถจินตนาการและเอาจินตนาการมาเขียนเป็นนิยายด้วยการพิมพ์อาศัยการหักนิ้วนะไม่สามารถจิ้มนิ้วที่คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์แล้วก็หักงอนนิ้วแล้วเอาส่วนที่งอนเนี่ยจิ้มก็เขียนนิยายได้สิบกว่าเล่มแล้ว ทำไรายได้หาเลี้ยงครอบครัวส่งเสียน้องสาวจุนเจือแม่นะซึ่งตกงานอันนี้ก็เรียกว่าแม้ว่าจะอยู่ในคุกที่ทำด้วยเนื้อแต่ว่าใจเขาเนี่ยก็ยังเป็นอิสระได้มีคนหนึ่งเขาเป็นโรคล็อกอินซินโดรมนะประสบุตปปิเหตุรถอ่อ รถชนกันหรือว่าเจิอุบัติเหตุรถยนต์กระแทกทำให้เส้นประสาทนะตั้งแต่คอลงไปนี่เสียหมดเลยขยียงขยับอะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทำได้แค่กับพิบตายัางดีที่ยังกินข้าวได้แตก่ก็กินได้ลำบากแล้วก็ต้องฟีดเอาทางสายยางแต่เขาก็ใช้การกับพิบตานี่นะเขียนนิยาย a b c d ก็ใช้วิธีการกับพิบตาว่าอักษรตัวไหนก็ให้พี่เลี้ยงไล่ตัวอักษรนะ a b c d ถ้าใช่ก็กับพิบตาก็ะสมอักษรนเนี่ยด้วยวิธีนี้เทียะรน้อยเทลาไน้อยก็เขียนเป็นหนังสือกลายเป็นหนังสือขายดีให้ความสุขกับคนอ่านถึงแม้คนเขียนนี่จะนอนติดเตียง พูอะไไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในคุกเหมือนกันนะเป็นคุกที่ทำด้วยกายแต่ว่าใจเป็นสลับพวกเราก็โชคดีนะที่ไม่ได้อยู่ในคุกชนิดนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะถึงแม้ไม่อยู่ในคุกที่ก่อด้วยอิดนะสร้างโดยปูนหรือคุกที่มันทำจากร่างกายหรือเนื้อ แต่ก็อาจจะอยู่ในคุกของใจก็ได้คุกของใจก็คืออารมณ์นะที่มันกักใจของเราไว้รวมทั้งความคิดนะที่มันทำให้จิตเราหมุนวนไม่สามารถจะออกมาได้คนที่จิตใจวนเวียนอยู่กับอดีตนะอดีต ท, ที่เจ็บปวด เพราะว่าสูญเสียคนรักของรักหรือเพราะถูกต่อว่าถูกรังแกทำให้เกิดความขับแค้นจิตก็วนเวียนอยู่กับความโกรธความขับแค้นหรือความรู้สึกผิดที่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนรักเช่นบุปการีหรืออาจจะะเลยไม่ดูแลท่านตอนที่ท่านมีชีวิตยอยู่ก็ขังจิตขังใจงตัว อ, อยู่ใน อารมเหล่านี้แหละความรู้สึกผิดบางนี้ก็กังวลนะกังวลจมอยู่กับบกบุนอยู่กับอนาคตที่น่ากลัวเช่นบางคนเป็นมะเร็งเป็นโรค ล, ลายเนี่ยรักษาไม่หายก็คิดถึงแต่ความตายที่จะเกิดขึ้นกับตัวจิตใจก็กลัวตื่นตหนกยอมรับ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เกิดคุกในใจเหมือนกันนะเพราะใจมันปฏิเสธมันไม่ยอมรับก็มีผู้ป่วยคนหนึ่งอันนี้ซึ่งก็พูดไปแล้วนะวันแรกๆวันเนี้ยเป็นมะเร็งทีแรกเธอก็มีความทุกข์มากเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนแก่หรือคนที่สูบบุหรี่ มากนะมากนะมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะทั้งนี้อายุก็แค่สามสิบหมอไม่เชื่อว่าเป็นได้ยังไงเธอก็เสียใจนะกลดดาชตากรรมแล้วก็มีความทุกข์มากแต่พอได้มาฝึกจิตดูใจของตัวก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้มะเร็งนี่ไม่ใช่ปัญห า, นะาปัญหาคือการวางใจผิด เธอบอกว่าไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันโหดร้ายก็จริงนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่โหดร้ายกว่าคือการไม่ยอมรับความจริงการไม่ยอมรับความจริงนี่มันโหดร้ายกว่าเพราะว่ามันสามารถจะเป็นคุกขังใจของเราได้หลายคนก็ก็ติดอยู่ในคุกเนี่ยคุกของความทุกข์ การที่ความกลัวความวิตกกังว ล, ลวก็ออกมาไม่ได้หรืออาจจะไม่ใช่เป็นความเจ็บป่วยของตัวนะแต่เป็นความเจ็บป่วยของคนรักก็คิดถึงแต่ว่าเนี่ยเขากลางังจะตายแล้วเนี่ยตีโพยตีภายเศร้าโศกเสียใจเมื่อสองสามวันสองสามอา 2, ทิตย์แล้วเนี่ยก็มี ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะก็วัยกลางคนพูดไปก็ร้องไห้ไปว่าเขาจะทำยังไงดีนะลูกเขากำลังจะตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเขาสึกท้อแท้นะสิ้นหวังก็เลยบอกเขาไปว่าตอนนี้ลูกเขายังมีลมหายใจยังไม่ตายอย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไป พยายามทำสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกของเขาหรือว่ามีความสุขร่วมกันในเวลานี้ที่เขาเสียใจเนี่ยก็เพราะว่าไปคิดถึงวันตายของลูกซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นแต่พอคิดแล้วเนี่ยเราก็กลัวเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เลยจมอยู่ในความเศร้าความโศกความเสียใจ แล้วความโกรธแค้นด้วยเพราะรู้ก็อาจจาะ ย, ยังน่ารักอยู่หลายคนเนี่ยไปกังวลอยู่กับปัาคดจนปล่อยให้เวลาปัจจุบันซึ่งมันมีค่าเพราะเป็นสิ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราจะทําอะไรดีๆให้กับคนรักของเราได้ปล่อยให้โอกาสแบบนี้มันผ่านเลยไปเพราะอะลรเพรติดคุกไนงะคุกแห่งความวิตกกังวลนีจมอยู่กับ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคนจํานวนมากนี่ก็อยู่ในคุกชนิดเนี่ยเยอะเลยวันหนึ่งก็หลายครั้งนะคุกของใจเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่มีความสึกตัวนะถ้าเรามีสติมีความสึกตัวเนี่ยนะพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยกลับมาอยู่ความสึกตัวเนี่ยมันก็ออกจากคุกนี้ได้ แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยติดอยู่ในคุกนี้โดยที่ไม่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีคุกแบบนี้อยู่ไอ้คุกที่ก่อด้วยทำด้วยปูเนี่ยคนรู้นะว่าเนี่ยมันมีคุกแบบนี้เห็นกําแพงเห็นกําแพงล้อมรอบเลยแต่คุกของใจเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่ามันมี ก็เลยปล่อยใจให้จมอยู่กับอารมณ์ความคิดนะเกี่ยวกับอดีตบ้างอนาคตบ้างจมอยู่กับความโกรธความครับแค้นความเศร้าโศกและถ้าไม่ระวังนะไอคุกของใจนี่แหละมันจะพาเราเข้าสู่คุกที่ทำด้วยก่อด้วยอิจ้างด้วยปูนก็ได้ คือพอจมอยู่ในความโกรธความขับแค้นเนี่ยมันก็ทำให้ลืมตัวส่วนสามารถที่จะทำร้ายคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนที่เรารักหรือคนที่เราคิดว่าเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของเราเวลามีความทุกเนี่ยคนไม่ค่อยได้คิดนะว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าผ่นะาใจเนี่ยมาอยู่ในคุกของอารมณ์ไปคิดว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากต้องการออกจากทุกนี้ก็ต้องไปจัดการกับเขาเช่เนไปด่าว่าเขาหรือไปทำร้ายเขาบางทีเอาถึงตายะนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี่เป็นเพราะไอ้คุกที่ว่านี้่ลังหากเงื่อไม่รู้เนี่ยนะไปคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากคนอื่นเขาทาก็เลยไปทาร้ายเขา ก็เลยต้องเข้าไปในคุกนะที่อกอดด้วยอิสร้าด้ปูนแทนบางคนกว่าจะมารู้ก็โอ้ถล่มก็ไปลึกแล้วพวกเราคงรู้จักนะ่ะหมอวิสุทธ์วนกเกษมสันติเนี่ยเคยเป็นรองศาสตราจารย์นะของคณะแพทย์จุลารงกรมามอทิทไล ก็เป็นคนที่มีสถานหน้าที่สูงแ ล, และการยกย่องแถมยังมีฝีมือในเรื่องการทําเด็กหลอดแก้วเป็นหมอสูเนี่ยนะย่มีติดอันดับนะติดอันดับต้นๆของอาเซียนเลยหรือทวีเอเชียด้วยซ้ในเรื่องการทําเด็กหลอดแก้วแต่วันดีคืนดีก็กลายเป็นนักโทษประหารศาลตัดสินว่าฆ่าภรรยาของตัว แต่ก็โชคดีน ะ, ะได้รับการอภัยโทษย่อนโทษไปเรื่อยๆจากประหารกลเป็นติดคุกตลอดชีวิตแล้วตอนหลังโทษก็ลดลงจนทั้งออกมาละตอนที่ออกมาใหม่ๆก็ให้สัมภาษณ์นะว่าเนี่ยมองย้อนไปถึงชีวิตที่ผ่านมาก็บอกว่าเสียดายเสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะไปทุ่มเทกับการงานมากจนไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรม ในหัวนี่มีแต่งานการการสอนการวิจัยนะทำแต่งานนะไม่ไม่สนใจเรื่องการฝึกจิตใจหรือการครองสติเลยบัด น, นี้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยสิ่งนี้มันสำคัญกว่าวิชาอื่นใดถ้าย้อนกลับเป็นหนุ่มได้ก็จะหันมาให้เวลา ก, การฝึกสติการฝึกจิตฝึกใจไม่ใช่มารอทำตอนแก่ ก็ยังดีนะที่ยังมีโอกาสได้แก่เพราะว่าถ้าตามคามพิพากษารเดินเนี่ยก็ไม่มีลมหายใจแล้วอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างอุทาหรณ์สอนใจนะว่าเนี่ยถากว่ามีปล่อยให้ใจมันเข้าไปอยู่ในคุกนะแห่งความโกรธความเกลียดหรือถูกอ่า คุมขังด้วยคุกชนิดนี้แล้วเนี่ยในที่สุดนี่มันก็สามารถจะเข้าไปสู่คุกนะที่ก่อโดยอิทซึ่งอาจจะทําให้เป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นแต่ก็ยังดีหนะ้าที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คุกที่น่ากลัวกว่าเนี่ยมันไม่ใช่คุกที่ก่อโดยอิทธิ์นะแต่เป็นคุกของใจนี่แหละเพราะว่า เป็นเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจเรื่องการครองสตินะการฝึกจิตฝึกใจตัวไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาใจอารมณ์มันก็มาครอบงำจิตจนกลายเป็นคุกพันธนาการจิตใจเอาไว้แล้วก็ทุกข์ทรมานมากแต่ว่าคุกของใจนี่จะว่าไปมันออกได้ง่ายกว่าคุกชนิดอื่นนะ คุกที่ก่อด้วยอิดร่าในปูนนี่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าจะออกมาได้ใครที่ใจร้อนแหกคุกก็อาจจะโดนยิงตายไอ้คุกที่ทำด้วยกายหรือเนื้อนี่มันก็อาจจอไม่ได้เลยนะเพราะว่าพิการตลอดชีวิตหรืออามาพึกงเอามาพาดติดเตียงไปจนตายแต่คุกของใจนี่ออกได้เอาอได้ง่าย แต้พ่อออกได้แล้วนี่ไอ้คูกอย่างอื่นนี่ไม่มีความหมายแล้วอาจารย์กำพลทองบุนนุ่มเนี่ยนะเป็นครูสอนพระละแล้วก็เกิดพิการนะตั้งแต่อายุยี่สิบสี่เพราะว่ากระโดดน้ำผิดท่านะคอก็ไปกระแทกหัวก็ไปกระแทกกับพื้นสะก็ทำให้พิการนะตั้งแต่คอลงมามือก็เคยเย่งขยับได้บ้าง ตอนหลังก็ทําแก่ภาพบาบัดจนกทั้งสามารถจะเขียนหนังสือได้แต่ก็ต้องอาศัยรถเข็นหรือไม่ก็อนอนนอนเตียงเป็นส่วนใหญ่ก็ทรมานมากนะจนทั้งได้มาฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติยกมือสร้างจอดไม่ได้ก็พลิกมือไปพลิกมือมาเดินจงกรมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อเข็ยนก็บอกว่าให้แค่พลิกมือไปพลิกมือมาก็พอ เวลาพลิกมือก็ให้รู้สึกนะว่ามือกําลังพลิกเวลาใจามันคิดนึกอะไรก็ให้รู้ทันสูงง่ายๆคือว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกสุดท้ายก็ทำได้ไม่นานนะก็เกิดปัญญาลายเห็นแล้วโอ้ไอ้ที่เรอพิการนี่มันพิการแต่กายนะใจไม่ได้พิการด้วยแต่ก่อนมองไม่เห็นนะ ไปคิดว่าฉันพิการฉันพิการที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ฉันพิการมันแค่กายพิการใจไม่ได้พิการด้วยพอเห็นตรงนี้นะจิตไปสละเลยไม่มีคุกที่ขังใจได้อาจารย์กับบอกว่าเนี่ยจิตหล่ อ, อจากความทุกข์แล้วกายยังทุกข์อยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วอันนี้เรียกว่าพอมีบ้านของใจนะก็คือมีมีสติมีความศึกตัว อยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาให้ความฟุ้งซ่านความโกรธความพิตกกังวลมันครอบงมจิตใจไม่ได้เพราะว่าจิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันจิตอยู่กับรู้ความรู้สึกตัวอารมณ์เหล่านี้มันจะครอบงาได้อย่างไรอุจ้ารตัดว่าเนี่ยบุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวนั้นเนี่ย ย่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะเพื่อความตั้งมั่นความไม่เสื่อมสูญแม่อนตราทานของพระสัตธรรมบุคคลเมื่อมีความสึกตัวนะเมื่อใดที่มีความสึกตัวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอ ก, กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วความสึกตัวนี่มันบ้านของใจที่ประเสริฐมากนะ เราพยายามนะให้ทำความสึกตัวนะอยู่อย่างต่อเนื่องตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยล้างหน้าถูฟันนะเก็บที่นอนก็พยายามให้รู้สึกตัวเอาไว้ให้ถือหลังง่าตัวอยู่ในใจอยู่นั่นนะเอากายเป็นบ้านของใจให้ใจมารู้กาย ความสึกตัวก็จะเกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยอกุศลธรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าใจมีบ้านที่แข็งแรงมั่นคงปลอดภัยอกุศลธรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถเข้าไปได้อกุศลธรรมก็หมายถึงอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยรวมทั้งความคิดที่เป็นลบเนี่ยมันก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้สึกตัวหรือเรา เวลาเราทำอะไรใจเราก็ชอบลอยไปโน่นลอยมานี่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเปิดเปิดจุดอ่อนนะให้ความทุกข์เข้ามาได้หรือใจมันก็จะเผลอนะเข้าไปในคุกของอารมณ์ยิ่งมียิ่งมีเหตุการณ์อะไรมากระทบหรือเกิดขึ้นแรงๆเนี่ยอย่าง เป็นความเจ็บป่วยความสูญเสียคนรักนี่ไอ้ใจที่ปล่อยให้ล่องรอยอยู่เป็นนิดเนี่ยนะมันก็ยิ่งง่ายนะที่จะถูกนะครอบงำด้วยอารมณ์จนก้ะทังออกมาไม่ได้นะเช่นพอเจ็บป่วยเป็นมะเร็งก็วุ่ ว, ว, ว, ว, วายตีโพธิพายวาดกลัวตื่นตระหนกกังวลกระวนกระ ว, วายนะอันนี้เรียกว่าติดคุกแล้วเพราะใจไม่ยอมรับเพราะใจไม่มีสติ ใจไม่อยู่กับปัจจุบันไม่มีความสึกตัวหรือว่าเวลาสูญเสียคนรักหรือว่าทําอะไรผิดพลาดก็เศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งจมอยู่ในอารมณ์พอจมอยู่อารมณ์หนักๆเข้าก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าพอเป็นโรคซึมเศร้านี่ม ก, การเป็นคุกอย่างดีแน่นหนามากออกได้ยากหลายคนทุกมากเลยไม่รู้ทำยังไงเพอโรคซึมเศร้าสุดท้ายก็เห็นทางออกทางเดียวคือ คนะ่าตัวตายทางที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การออกจักคุกที่เกิดจากโรคซึมเศร้า ม, มก็มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะประเสริฐกว่านั้นเยอะนั่นคือกลับมารู้สึกตัวแม้ว่ามันจะรู้สึกตัวได้ยากนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันไอ้คุกที่มันขังจิตเอาไว้นี่มันแน่นหนามากออกไม่ได้นิดหน่อยก็ถูกดึงเข้าไปใหม่ แต่ว่าถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆกลับวรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไอ้คุกที่วางก็จะละลายนะเหลือนหายไปอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเรากลับไปบ้านถึงบ้านวันนี้นะก็อย่าลืมว่าเรามีภารกิจที่ควรจะทำต่อไปถ้าว่าเรารักตัวเองนะก็คือการหาบ้านให้ใจนะให้มันนะ พาใจอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันอยู่เนืองๆทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นซึ่งก็อาจจะคิดง่ายๆก็เพราะว่าเวลาทำอะไรก็ทำทีละอย่างนะทาทีละอย่างแล้วก็ทำด้วยใจเต็มร้อยถูฟันก็เอาใจใส่ลงไปในการถูฟัน ถูฟันด้วยใจเต็มรอยไม่ใช่ทำครึ่งๆกลางๆถูฟันไปก็คิดเรื่องเรื่องงานเรื่องการไปด้วยกินข้าวก็นึกถึงเรื่องงานเรื่องการไปด้วยใจนี่มันแตกเป็นเสี่ยงๆกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยคิดงานการไปด้วยเล่นลไลน์ไปด้วยเช็คเมลไปด้วยเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ทําไม่ได้กินข้าวด้วยใจเต็มรอยเราจะหาความสึกตัวจากไหนฝึกซะจากวันนี้นะ เอาเอาเอาการปฏิบัติที่เราได้เรียนรู้เนี่ยนะไปสาตนต่อเมื่อเรากลับไปที่บ้านหรือว่าไปที่ทำงานก็แล้วแต่ชาตนี้ก็พูดกันเท่า น, นีีนะกราบคร บ, ครบ